ไลฟ์สดเช้าวันนี้เพจธรรมนาวาจะได้ตอบคำถามที่ได้ถามเข้ามาในเพจก็จะตอบคำถามก่อนก่อนที่จะอธิบายอานิสงส์ของการสร้างกุฏิเพราะนิโยมส่งคำถามมาที่เพจไม่ใช่ มีโยมมาแจ้งที่นี่ว่าขออธิบายเรื่องการถวายกุฏิว่ามีอันสงอย่างไรบ้างแต่จะตอบคำถามก่อนซึ่งได้ถามมาในการแสดงธรรมในคราวครั้งก่อน<ม>จากโยมนาลาชินตินได้ถามว่าไตาลักษณะไตลักคืออะไรเหตุที่เกิดไตลักคืออะไรไตลักมีในพระไตรปิฎกไหม แต่ลักษณะอันนี้เป็นสิ่งที่พระทีเจ้าทรงตัสรุปการตัดสรุปในไตลักษณ์ก็คือตัดสรุปในลักษณะของสังขารหมายถึงว่าความรู้ความจริงของสังขารในระยะเวลาที่ก่อนจะมีพุทธศาสนานั้น หลักคำสอนในเรื่องของไตรลักษณ์ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงาศาสดาผู้หนึ่งที่ได้นามว่าอาระกขศาสดาศาสาศาดาผู้นั้นได้สอนเหล่าสาวกทั้งหลายว่ากายนี้มิเที่ยงกายนี้เป็นของไม่คงทนถาวร น, นี้คือคําสอนของอาระกขศาสดา เพราะความไม่เที่ยงของกายและเพราะความไม่คงทนถาวรของกายนี้เองพวกเราจึงไม่ควรประมาทเพราะการที่เราอาศัยร่างกายเป็นอยู่ในภพชาตินี้นั้นเป็นเพียงแค่ความเป็นอยู่ช่วระยะเวลาหนึ่งไม่มีใครสามารถอยู่ได้ไปตลอดยั่งยืนพึงกระทาความดีเพื่อเป็นเครื่องรองรับชีวิตตนเองที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าอารักะศาสาดา น, นั้น คร่ำสอนลูกศิษย์ให้ประพฤติ ธ, ธรรมตั้งอยู่ในกุศลธรรมคุณงามความดีสอนเรื่องกรรมสอนเรื่องผลของกรรมพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่ามีแต่อารักษศาสนานั้นผู้นั้นที่กล่าวสอนเรื่องความไม่เที่ยงและก็ความไม่คงทนถาวรของร่างกายหรือว่าความไม่ยั่งยืนของร่างกายนะมีแต่อาระกะะาักษศาสนา นอกจากศาสดาผู้นี้แล้วไม่มีใครสอนเรื่องนี้และอาระกะักษศาสดาผู้นั้นในอดีตก็คือพระพุทธเจ้าในขณะในปัจจุบันนี้นี่เองคือเป็นอดีตชาติของพระองค์อาระกะักษศาสดานั้นเพราะว่าสาวกของอาระกะักษศาสดาที่เชื่อฟังอาระกะักษศาสดานั้นประพฤติทธรรมตามอาระกะักษ์ศาสดาไปสู่สุคติภูมิกันทั้งหมดทุกคนทีนี้แม้อาระกะักษศาสดาจะสอนเรื่องความไม่เที่ยง แล้ ว, วความไม่คงที่หรือว่าความไม่ยั่งยืนของร่างกายหาความคงทนถาวรไม่ได้เรียก ว, ว่าอานิจจังแล้วก็ทุกข์ขังทุกข์ขังคือทุกขลักษณะอานิจจลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะคือลักษณะที่ไม่คงทนถาวรหรือไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองได้เหมือนกับกายของเราเนี่ยไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองได้ตลอดไปตัง้งแต่มีเขาแต่สลายสอนลักษณะแค่สองแต่ลักษณะแค่สองนี้ จริงๆแล้วมันก็คือลักษณะสามนั่นเองคือความแตกสลายลักษณะสามแต่คําว่าอนัตตาอนัตตาในความหมายของวิทยาที่เราไตาลักไตลักอนัตตาเนี่ยไตยลักที่แท้จริงแล้วมันเกิดมาจากสภาวะธรรมอันเดียวคือทุกขลักษณะคือลักษณะที่ไม่คงที่ไม่คงความตายตัวหรือไม่คงทนถาวรหรือ หาความคงตัวอยู่ในตัวของมันเองไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันหาความคงตัวในตัวของมันเองไม่ได้และเพราะความที่มันไม่สามารถคงตัวในตัวของมันเองได้นั้นจึงเกิดลักษณะอีกลักษณะหนึ่งขึ้นมาคือความแปรปวนเขาเรียกว่าอนิจจ์และพอมันแปรปวนนั่นเองมันจะต้องสลายตัวก็คือหาความเป็นตัวตนไม่ได้คืออนัตตา ไตลักษ์นี้เป็นลักษณะสที่ทําให้พุทธเจ้าทรงตรัสถึงอนัตตลักษณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องลักษณะของความไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวตนและไม่เป็นตัวตนอนัตตลักษณะสูตรต่างจากไตลักษ์ตรงที่ว่าอนัตตลักษณสูตรนั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้มองเห็นลักษณะทั้งสามว่าเป็นตน คืออนัตตามิใช่ตนเนตังมมะเนโซฮา ม, มัสสินัเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยคือหมายถึงว่าคำว่ า, านั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองคำว่ า, านั่นเพราะอะไรมันมันถึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราพวก์ก็บอกว่ารูปไม่เที่ยงรูปไม่คงทนถาวรรูปต้องถึงความแตกสลายคือผู้รัตเจ้ากถึงพูดถึงลักษณะสาม หรือว่าไตลักษณ์การที่วงทรงกําหนดอนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนั้นเองโดยเชื่อมโยงไปถึงไตลักษณ์ลักษณะ3คือต้องเข้าใจให้ออกว่าลักษณะ3มอย่างหนึ่งอนัตตลักขณะอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยลักษณะ3ก็คือไตลักษณ์คือลักษณะ3มประการของสังขารแต่จริงแล้ว มันมีแค่ลักษณะอันเดียวคือทุกขลักษณะคือสภาพความเป็นจริงหรือสภาวะที่โดยตัวของมันน่ะมันมีแค่ลักษณะเดียวคือทุกขลักษณะแต่ความเป็นทุกขลักษณะของมันเนี่ยของสังขารเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือพูดง่ายเป็นการกล่าวถึงทันห้าซึ่งก็คือตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยหมายถึงว่าโดยธาตแท้ของมันมันเป็นทุกขลักษณะคือลักษณะที่ไม่คงตัวไม่ไม่ใช่ลักษณะที่ เป็นลักษณะที่ไม่คงที่ไม่คงตัวและหาความคงตัวในตัวเองของมันไม่ได้เพราะความที่มันไม่คงที่ไม่คงตัวและหาความเป็นตัวของมันเองไม่ได้นี่เองเพราะมันต้องเปลี่ยนมันจึงเกิดเป็นอนิจจ์ขึ้นมาอนิจจ์ลักษณะลักษณะที่แปรปรวนหรือลักษณะที่มิเที่ยงที่เราเข้าใจกันนั่นแหละแล้วเพรไม่เที่ยงนั่นเองเพราะมันแปรปรวนนั่นเองมันจึงเกิดการสลายตัวคือเป็นอนัตตา อนัตตาในไตรลักษณ์กับอนัตตลักษณสูตรเป็นเป็นสูตรที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันแต่ไม่ใช่ตัวอันเดียวกันทีนี้ในไตรลักษณ์กล่าวถึงลักษณะ3ประการแต่โดยแท้แล้วมันมีแค่อันอาการเดียวคือทุกคลักษณะแต่ด้วยความเป็นทุคลักษณะจึงเกิดอาการสองมาเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบคือในอันเดียวกันนั่นแหละ แต่มันมีองค์ประกอบเข้ามาด้วยจึงองค์ประกอบของลักษณะที่แสดงและปรากฏให้เห็นให้ทราบที่สามารถรับรู้รับทรา บ, บได้จึงมีสามขึ้นมาจึงมีลักษณะสมขึ้นมาคืออนิจจลักชณะทุกคละคณะอนัตตละคณะแล้วทําไมพุทธเจ้าถึงตรัดอนิจจลักชณะก่อนก่อนทุกคลักคณะการที่พระเจ้าทรงตัดอนิจจลักชณะก่อนคือลักษณะ ขออภัยนะลักษณะไม่ใช่ลักษณะคือบาลีมันลักษณะแต่พูดพูดในภาษาไทยที่จะสื่อสารกันในภาษาไทยก็คือลักษณะที่พระองค์ทรงตรัสอนิจจลักษณะก่อนคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสังขารก่อนเนี่ยที่ว่าอนิจจาอนิจังอย่างเงี้ยประเภทเนี้ ย, เ, เ, ยเพราะพระองค์จะตัดถึงผลก่อนผลก็คือความแปรปวนที่มาจากทุกขลักษณะ มาจากความไม่คงตัวของสังขารโดยความที่สังขารนั้นหาความคงตัวคือความคงที่ในตัวเองของมันไม่ได้คือเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะสภาพขณะที่ดับก็มีมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมขณะที่ดับคือดับปุ๊บเกิดปั๊บของสังขารนั่นมันก็เลยหาความคงตัวไม่ได้ภูริจ้าตัดถึงผลคือความไม่เที่ยงก่อน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเห็นกันได้ง่ายนะความไม่เที่ยงเห็นกันได้ง่ายแต่ความไม่คงที่เห็นกันได้ยากการที่พง์ทรงตัดถึงความไม่เที่ยงเป็นผลมาจากความไม่คงตัวของสังขารนั่นเองนะพระองค์จึงตรัสเพื่อให้เข้ามารู้ทุคลักลักษณะคือความไม่คงที่ของมันและความไม่คงที่นี่เองจึงเกิดเป็นอนัตตลักษณะลักษณะแห่ง ความไม่มีตัวตนหรือตัวของสังขาร น, นั้นก็ไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองเป็นตัวตนที่แบบตั้งมั่นยั่งยืนไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นคำว่าตั้งมั่นยั่งยืนไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นนั้นตัวอย่างเช่นถ้ามีเส้นผมเกิดขึ้นเส้นผมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องยาวเท่านั้นไม่ยาวไปกว่านั้นอีกและไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อถึงวัยชรลาคือเคยยาวแค่ไหนก็ยาวแค่นั้นและ คำว่าอนัตตาคือคำว่าอัตาอาอตาคือตัวตนเนี่ยที่ที่เป็นตัวตั้งมั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วคือปรากฏตัวขึ้นมาแล้วจะต้องคงตัวอยู่อย่างนั้นหากเป็นตัวหากเป็นอัตตาจะต้องคงตัวอยู่อย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าสภาพสังขารคือขันห้า หาความคงตัวไม่ได้ต้องแปรปวนจากเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กทารกจากทารกขึ้นมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กหนุม่มจากเด็กหนุ่มขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นกลางคนกลางคนก็เป็น <Yeah. S 1> วัยแก่ชราประเภทเนียนั่นคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสังขารคือเป็นอนาาัตตาและเพราะมันไม่เที่ยงไม่คงตัวของมันและไม่มีตัวตนที่เป็นตัวแท้ของมันนั่นเองจึง พวงจึงตัดอนัตตาลักษณะสูตรขึ้นมาเป็นสูตรที่ว่า ด, ด้วยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่พึงเห็นว่าเป็นตนคือเราจะมายึดเอาตัวที่มันมีที่ยังไม่คงที่ไม่คงทัวตนทนถาวรนั้นเป็นตัวเองเป็นไปไม่ได้ขนาดตัวของมันยังไม่มีตัวของมันเราจะไปยึดตัวของมันว่าเป็นตัวของเรามันมันยึดไม่ได้พูดพระเจ้าทรงตัดอนัตตาลักษณะเพื่อไถ่ถอนการยึดถือตัวตนและไม่ให้ตามเห็น ในกายสังขารและจิตตสังขารว่าเป็นตนอยามีอัตานุธิภิการตาเห็นว่าเป็นตนอยู่ในกายสังขารและจิตตสังขารนี้ตรงนี้นี่แหละเหตุที่ทําให้เกิดไตลักษณ์ก็คือทุกขลักษณะคือลักษณะของความไม่คงตัวไม่คงที่ไม่คงทนถาวรขอสภาพสังขารนั่นเองจึงเกิดมีลักษณะสไตลักษณ์ในพระไตรปิฎกไหมมี ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกสอนเรื่องของคำว่ไตยลักเราจะไม่ได้ยินคำว่าไตายลักเลยในโลกนี้หากครั้งพุทธการยุค ก, ก่อนๆไม่สืบคําสอนนี้มาในพระไตรปิฎกที่จารึกเป็นตัวอักษรในหนังสือนี้เราจะไม่ได้ยินคํานี้เลยแล้วเราจะไม่รับคําสอนด้านนี้แล้วเราก็จะเสียประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้หรือได้ยินได้ฟังคําสอนนี้ไปโดยที่เรา เกิดแล้วอ่ะเกิดมาเสียเปล่าที่ไม่ได้รู้จักความจริงของคำามาไต่ล่างถ้าไต่ล่างนี้เป็นความจริงที่อยู่ในตัวเรามันเป็นเรื่องที่โง่งงงายมากที่เราไม่รู้จักความจริงที่อยู่ในตัวเราทำไมถึงบอกว่าโง่งงงายคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะพูดดีทำไมคือมันเป็นเรื่องที่โง่จริงจริงที่เราไม่รู้จักตัวเราก็ตัวเราอยู่กับตัวเรายีิบสี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้จักตัวเรามันโง่ไหมไม่รู้จักความจริงของกายของตัวเองเน่ยมันโง่ ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็ตายแบบด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้เขาเรียกว่าหลงตายแต่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ได้หลงตายนะไม่ได้ตายแบบชาวบ้านชาวเมืองที่เขาตายกันแต่พระองค์ตายแบบประเสริฐตายแบบทิ้งความดีทิ้งสัจธรรมทิ้งสิ่งที่ดีๆไว้ให้คนทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้ 2,500 กว่าปีมานี้ยังมีคุณค่าและทรงคุณค่าอยู่ ถามว่าศีลกับพระวินัยคืออันเดียวกันไหมครับศีลกับพระวินัยก็อันเดียวกันในในขออาภายัยศีลกับพระวินัยจะว่าอันเดียวกันก็ใช่จะจะพูดแยกจากกันก็ใช่มีในอันใดศีลก็อันนั้นนะ ศีลอันดใดพินัยก็อันนั้นคือมันก็อันเดียวกันแต่คําว่าศีลเนี่ยมีความหมายครอบคลุมกว่าศีลมีความหมายครอบคลุมอยู่4ประการหนึ 1. อินทรีย์สังวรศีลการซำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่าศีล 2. ปฏิโมกสังวรศีลพวินัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งสีกขาบท5ประการ สิขาบทแปดประการสิขาบทสิบประการสิขาบท227ประการสิขาบท3 1 1ประการเหล่านี้ก็เป็นปฏิโมก3ามวรศีลชื่อว่าศีลอย่างหนึ่งศีลอันประเภทที่3ปัจจยสนิสศีลศีลที่เขาเรียกว่าการการพิจารณาปัจจัยีก่อนที่จะบริโภค คือพิจรารณาอาหารที่บริโภคว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเป็นเพียงแค่เครื่องยังอัตภาพให้เป็นไปอย่าสแสวงหาการบริโภคให้เกินไปกว่าการดํารงชีพของตนที่มากไปกว่านั้นหมายถึงว่าอย่าไปยุ่งยากกับการสแสวงหาอาหารมากนักเลยเวลาประพฤติปฏิบัติทำบ้างเรายุ่กับการสแสวงหาเลี้ยงร่างกายนี้มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันไม่เคยพาเราพ้นทุกข์มันมีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเรา ให้เห็นให้เห็นสาระประโยชน์ที่ดีกว่านี้ไปทํามาหากินอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนให้หยุดย่อนบ้างให้พักบ้างทำบุญกุศลทําคุณงามความดีบําเพ็ญประพฤติธรรมบ้างอันเนี้ยจัดว่าเป็นศีลอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพิจารณาในการบริโภคอาหารที่พอดีพอดิบ พ, พอดีกับฐานะกับชีวิตขอบความเป็นอยู่ของตนพิจารณาที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับความเป็นอยู่ของตนพิจารณาเครื่องนุ่งห่มให้เหมาะกับ สภาพของตนพิจารณาย า, ารักษาโลกที่พอดีกับโลกที่เป็นเนี่ยเขาเรียกพิจารณาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลแล้วว่าปัจจะย ส, สันนิศีนที่นำปัจจัยที่ตนเองได้อาศัยใช้บริโภคและศีลอันที่สีก็คืออาชีวประลิศที่ศีลการการดําเนินชีพเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่บริสุทธ์ อาชีพที่บริสุทธิ์คืออะไรหนึ่งไม่ค้าขายสัตว์ที่นำไปค่าใช่ไหมสไม่ค้าขายยาพิษ 3. ไม่ค้าขายสตา์อาวุธสีไม่ค้าขายอะไรมนุษย์ไม่ค้าขายมนุษย์เนาะ น่าจะประมาณนั้นอาชีวะพาิสุทธิ์ที่ศีลศีลจะคร อ, อ, อบคบคุมมากกว่านะแต่ก็เนื่องกับพระวินัยศีลกับพระวินัยก็เนื่องเนื่องเกี่ยว เ, เ, เนื่องกันอยู่เหมือนกันแต่จะว่าเป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่แต่ก็เกี่ยวเนื่องกันถามว่าลงเลขสักยันพระสักยัน์ผิดพระวินัยไหมครับผิดแน่นอนผิดเต็มเต็มและผิดเต็มประตูและ ผิดนี้ไม่ได้ใช่ว่าอาตามาไปพูดว่าเขาผิดแต่พูดว่าผิดตามหลักพระวินยัยว่าผิดส่วนเขาจะผิดอย่างไรก็ตามอาตามาจะไม่ไปว่าไปดา่าไปอะไรที่ที่ทำให้ว่าเขาผิดอะไรประเภทนี้ไม่ว่าอยากจะทำผิดก็ทำไปแต่จะพูดตามหลักพระวินัยว่าพระที่ลงเลขสักยันต์ ดูหมออันนี้ลามไปแล้วนะขอลามไปหน่อยนะอันนี้ถามแค่ลงเลขกับสักยันดูหมอหมใบหวยปุกเสกอะไรอีก <c oughs> เออก็นั่นแหละอะไรอีกกี่นี่สดอกเคาะต่อชาตาทำอะไรอีกฮะ อันนี้ขอรำไปไหมคือผิดพระวินัยหลายหลายอย่างหรือใครที่ชมอยู่รู้ว่าอะไรเป็นความผิดก็เมนก็เข้ามาเนี่ยผิดผิดตามพระวินัยแต่ท่านจะทำผิดยังไงก็ทำทำไปไม่ได้ว่าแต่จะว่าตามหลักธรรมวินัยว่าผิดเพราะมีผู้ถามมาอย่างนี้ถามว่าการมาราคะมีสาเหตุมาจากอะไร ดับอย่างไรการมราคะมีสาเหตุมาจากความกำหนัดที่เกิดจากความยินดีเมื่อมีความกำหนัดที่เกิดจากความยินดีในสิ่งใดก็เป็นการมราคะในสิ่งนั้นยินดีในรูปก็มีรูปปราคะายินดีในกามก็เป็นการมราคะยินดีในอลลเช่นเกียรติยศชื่อเสียงฐานันดนศา อำนาจต่างๆอันนี้ก็เป็นอรูปราคะสิ่งนี้ไม่ใช่รูปไม่ใช่วัตถุมันเป็นเกียรติยศยินดีในสิ่งแล้วนั้นก็เป็นอรูปราคาสะสาเหตุมาจากความกำหนัดยินดีภายในพึงพอใจหวงแหนยศศักดิ์อำนาจเงินตราในในสิ่งที่น่ารักใหน่าพอใจทั้งหมดอยู่ในกาม อยู่ในราคาทั้งหมดดับอย่างไรดับโดยการกระทําพระดิพานให้แจ้งในชั้นของพระอระหันต์ถึงจะดับได้หมดเพราะพราออนาคามียังมีรูปราคะอรูปราคะอยู่มงคลก็สงสัยว่าอนาคามีท่านก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นดีเป็นพระอนาคาชั้นระดับกลางๆเลยแหละเป็นบุคคลชั้นที่เรียกว่าละกิเลสได้ได้ยังมากแล้วทําไมยังจะมีราคะอยู่ พระอนาคามีท่านยังยินดีในบางสิ่งบางอย่างนะที่เป็นราคะที่มีร่วมอกุศลแต่เป็นราคาในสิ่งที่เป็นกุศลเช่นพระอนาคามีบางจําพวกนะนุ่งผ้าจีวรแบบเก่าๆนุ่งผ้าจีวรคือกําหนดกําหนดตัวเองให้อยู่ในรูปลักษณ์ของการนุ่งผ้าจีวรเก่าๆหรือกําหนดให้ตนเอง ใช้ผ้าดีๆหรือกำหนดที่อยู่อาศัยให้กุฏิที่อยู่ที่พักของตัวเองซอมซ่ออยู่แบบปอนๆ อ, อยู่แบบอะไรสันโดษสันโดษหน่อยนะที่เขาเรียกกันการสมถะไม่ยินดีในที่อยู่อันดีกับผ้านาคามีบางจำพวกยินดีในที่อยู่อันดีปรารถนาที่อยู่อันดีอันเลิศกว่าอย่างเงี้ยการกำหนดกำหนัดยินดีอย่างนั้นแม้แต่ในสิ่งที่เป็นรูป เราเนี้ยก็เป็นคือท่านยินดีเพื่อที่จะประพฤติกุศลธรรมนั่นแหละไม่ใช่ร่วงร่วงอกุศนแต่ประการใดแต่บุรนะุชนน่ะยินดีในการในรูปลักราคาทั้งหมดหรือรูปลักราคาทั้งหมดเพื่อร่วงอกุศนแต่ท่านเป็นไปเพื่อกุศลแต่ก็เป็นการยินดีอย่างหนึ่งแล้วว่าเป็นกิเลสละเอียดนะเป็นราคาละเอียดยินดีอย่างนั้นก็จะเป็นรูปปราคะยินดีในรูปก็ติดอยู่ก็เลยไปค้างอยู่ที่พรมโลก อรูปราคาคืออะไรพระอนาคามีจะยินดีในคุณธรรมที่ตนเองบรรลุถึงเป็นคุณธรรมภายในสเสบยผลในอนาคามิผลยินดีอยู่ในนมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอารูปอันนี้ก็เป็นอารูปอารูปราคะเมื่อ ย, ยินดีในคุณธรรมตัวเองเข้าถึงได้ปุ๊บก็เลยเกิดการวัดจิตกับคนอื่นจิตดวงนั้นเป็นยังไงจิตดวงนี้เป็นยังไงจิตเราเลื่อยกัเขาหรือเปล่าจิตเราสูงกว่าเขาหรือเปล่าจิตจิตเขา ต่ำกว่าเราหรือเปล่าวัดจิตกับคนนั้นวัดจิตกับคนนี้วัดภูมิวัดธรรมกันอันนี้พอ ย, ยินดีในในธรรมที่ตัวเองบรรลุถึงก็เป็นอรูปราคะเกิดเป็นมานะขึ้นมานะในชื่อของสังโยชน์แล้วก็อุทธธจักฟุง้งฟุ้งไปตามสิ่งตัวเองเพ่งไปดูจิตคนนั้นเพ่งไปดูจิตคนนี้นะประมาณนั้นนี่คือราคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะราคะนี้ยังติดอยู่ในจิตของพระนาคามีไปได้ราคะนี่สิ่งที่ดี ดับอย่างไรกัะทำพระนิพพานให้แจ้งโ น, นบัลลุถึงนิพพานนุ่นถึงความเป็นพระอาหารหันต์จะดับได้บุรุชนนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเยอะกันแค่ไหนเรื่องของการมราคาหนักมากเนื่ารมราคานี่มันมันอยู่ในสายเลือดทั้งคนอยู่แล้วแล้วเราเกิดจากสิ่งนั้นทั้งหมดการจะออกจากมันไม่ใช่ง่ายๆเลยยากมากถามว่าขอขมากับอภัยทานคืออันเดียวกันไหม ไม่ใช่อยเดียวกันขอขมาคือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดสำนึกผิดแล้วขอขมาขอโทษขมาคือขอให้มีการอดโทษเช่นได้ทาการล่วงเกินกับบุคคลใดคนหนึ่งไว้ด้วยกายด้วยวาจารหรือใจนะการทาการล่วงเกินเขาไว้ก็ไปขอให้เขาอดโทษอดโทษคือคำว่าอดโทษก็คืออาภัยนั่นเองยกโทษให้นะยกโทษให้เขาให้ใ ห, ให้ด้วยเถิดที่ล่วงเกินไปขอขมาคือผู้ใดก็ตามที่ กระทำการล่วงเกินต่อบุคคลอื่นเป็นการเบียดเบียนก่อกวนทําให้เกิดความไม่พอใจหรือความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นประกัยใดๆก็ตามแล้วไปทําการขอขามาเป็นเรื่องของการสํานึกผิดอันนี้ขอขามาส่วนอภัยนั่นคือการแสดงออกถึงน้ําใจของบุคคลผู้ได้ถูกกระทําผิดที่จะให้อภัยและการให้อภัยนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือการควบคุมใจของตนเองไม่ให้เป็นไปเพ่งโทษในบุคคลผู้กระทําผิดกับเรา และไม่ให้จิตของเราคิดในสิ่งที่ไปร่วงอกุศลคิดบุงร้ายคิดปรารธนาร้ายคิดบุงร้ายกับคนที่มาทําผิดกับตนเองอาภาัยทานที่แท้จริงก็คือควบคุมจิตใจของตัวเองให้สงบนั่นแหละคือให้อภัยไม่ให้มีการป่อเวียนกันไม่สืบต่อเวียนกันถามว่าเวลาผมทําบุญภายในใจปรารถนาพุทธภูมิมีความสุขทางใจนิดหน่อย แต่เวลาผมทําบุญประกาศออกเสียงปาถนาพุทธภูมิมีความสาสุขใจมากสุดยอดเลยยิ้มอยากมีความสุขมากครับก็ดีต่อไปเวลาทําบุญแต่ละครั้งให้ประกาศออกมาเลยข้าพเจ้าขอปาทาบุญในคราวครั้งนี้ของการการทบุญในคราวครั้งนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณภายในภาคหน้าด้วยเถิดประกาศขึ้นมาอย่างนี้ ไม่อาจะทำบุญข้าวใดให้ประกาศอย่างนี้ก็ดนะีเส้นทางก็บาเพ็ญกันไปกาพา อ, อนุมโมทนาสาธุเจ้าข้าที่มีความปรารถนาช่วยรักษาคำจริงของคำสอนดังเดิมรวมทั้งรักษาพระธรรมวินัยยิ่งชีพใครเนี่ยสะสะสะอะไรไ อ, อ่านภาษาอังกฤษก็ไม่คครจะออกมามอ่าถามมา ปฏิบัติทําไปด้วยแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมบรรลุถึงว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามการดับ ก, การมาราานนักค่ะคือจะมีวิธีีอยังไงที่จะไม่ให้เกิดโทษกับการคือกามาราค่ะก็มีไปแต่อย่าให้ล่วงอกุศลอกุศนก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะล่วงไปได้ยังไงอะไรเป็นเครื่องห้ามไม่ให้ล่วงอกุศลก็สิขาบท หประการ8ประการ10ประการ2 27 <20 S 1> <20 S 2> ประการ31มประการสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้ร่วงอกุศลแต่การมาราคามันมีอยู่แล้วก็ให้มันมีไปแต่เราจะไม่ร่วงอกุศลมีมีแล้วเรามีร่วงอกุศลมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทําพันธิพานให้แจ้งเพราะเมื่อกระทําพันธิพานให้แจ้งสิ่งเหล่านี้มันจะดับไปเองมันจะถูกละไปเอง ก็อย่าให้ร่วงอ ก, กุศลให้มันตั้งอยู่ในกุศลจะละคะแค่ไหนก็ตามก็ให้ตั้งอยู่ในกุศลมีเร า, าพาไปถามพระพิสุว่าท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่แล้วเข้ามาบวชอย่างนี้หากท่านยังมีเรื่องบางเรื่อง ที่ถูกกร า, ารมาลักษณ์ค่ารอบงำด้วยอำนาจของสตรีอย่างเงี้ยท่านจะกำหนดหมายใจว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพระรุ่ยา้าทรงกล่าวสอนไว้ว่าภิกษุเราได้เมื่อเกี่ยวข้องกับสตรีมาตุคามในอายุปูนแม่ก็ให้กำหนดหมายใจว่านี่คือแม่ ในสตรีมาตุคามใดที่อายุอะไรรุ่นราวขเรเดียวกันกับพี่กําหนดหมายใจว่านี้คือพี่อายุที่ต่ํากว่าเราก็กำหนดหมายใจว่านี่คือน้องน้องสาวนี่คือพี่นี่คือน้องสาวนั่นคือป้านี่คือน้านี่คืออานี่คือญาติคือให้มองเป็นญาติของตนเองมันก็จะไม่ร่วมอกุศลอย่างเงี้ย ถ้ามองไม่ได้ก็มองว่าเป็นคนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเก็บร่วมตายกันให้กำหนดหมายใจอย่างนี้แล้วก็ลักษณะสีขาวบทของตนเองก็จะมีร่วงอกุศลแล้วก็สามารถประพฤติสมณะธรรมสมณะธรรมสมณธรรมให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือตลอดรอดฝังได้อพอถึงฝังแล้วก็สบาย ตอบคำถามที่ได้ถามมาหมดแล้วต่อไปก็จะได้อธิบายอนิสงส์เรื่องของการสร้างกุฏิว่าการสร้างกุฏิมีอนิสงส์ อ, อย่างไรการสร้างกุฏิได้จัดอยู่ในส่วนของฐานที่ได้ชื่อว่าวิหารฐานวิหารฐานนี้เป็นฐานที่ชั้นสูงกว่าสังฆทานแม้พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าสังฆทานเป็นฐานอันเลศอันปรื่ิยแค่ไหนก็ตาม แต่พระองค์ก็บอกว่าให้สังฆทาน100ครั้งไม่เท่ากับสร้างวิหารทานที่มีที่มีกุฏิวิหารศาล า, าโบสห้องน้ำประเภทนี้เป็นวิหารทานให้ทานให้สังฆทาน100ครั้งไม่เท่ากับสร้างวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วอานิสงได้ยังไงบ้างอานิสงที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ พงก็บอกว่าวิหารเหล่าใดหรือวิหารอันใดที่มนุษย์เอ้สร้างไว้ถาวายไว้แล้วในสงฆ์วิหารอันนั้นย่อมเป็นที่ป้องกันอะไรความหนาวความร้อนป้องกันฝนป้องกันสัตว์เลื้อยคา น, นป้องกันเหลือบยุงลมแดดป้องกันอันตรายต่างๆให้กับภิกษุเพราะภิกษุถ้าอาศัยอยู่โคนต้นไม้ในฤดูฝนนี้ มันชื้นแฉกก็จะได้รับความลำบากสัตว์เลื้อยคัานก็จะเข้ามาทำร้ายการมีกุฏิเป็นที่อยู่เป็นที่เป็นเป็นเอกเทศพ้นจากพื้นดินสูงขึ้นพ้นจากพื้นดินและพ้นจากการก่อคุนของเราสัตว์พ้นจากฝนเหลือบยุงลมแดดจากฤดูกาลต่างๆอานิสงส์นี้พวงก็บอกว่าหนึ่งเมื่อละชีวิตไปเมื่อไปเกิด ย่อมไปเกิดสุขติภูมิโดยอย่างเดียวโดยไายเดียวเลยนะสุขติภูมิโดย่ายเดียวและเมื่อบังเกิดนีนสุขติภูมิแล้ววิมานอันปรากฏขึ้นย่อมปรากฏเป็นวิมานที่เหนือและเลิศกว่าวิมานของเท พ, พเจ้าตนอื่นที่ไม่ได้สร้างวิหารทานถาวายสงศ์วิมานนั้นไม่เป็นที่อยู่อันคับแคบที่อยู่นั้นจะเป็นที่อยู่อันปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีสิ่งใดๆมามาเป็นเครื่องก่อควรให้ได้รับความความอะไรภัยพิบัติต่างๆนาน า, นาก็จะไม่เกิดขึ้นและจะมีวิมานอันเลิศอันประเสริฐที่เรียกว่าดำรงอยู่ชั่วการนานได้กว่าได้ยืดยาวนานกว่าวิมานของเทพเจ้าตนอื่นที่ไม่ได้สร้างวิหารฐานนี้ หมายถึงว่ากุฏิที่เราสร้างหากมีความแน่นหนาถาวรมั่นคงนานแล้วเมื่อเราละชีวิตไปกุฏินี้ยังสามารถใช้การได้อยู่พิสูจนยังสามารถใช้สอยได้อยู่หายไปปุ๊บ ก, กระแสแห่งบุญที่เกิดจากวิหารละานที่เราถวายเนี่ยยังส่งเป็นผลบุญสืบเนื่องกับกจิตใจเราที่อยู่บนวิบากบนสวรรค์นั้นสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลากระแสบุญไม่ขาดหายไม่ขาดช่วงเกิดตลอด24ชั่วโมง เป็นบุญที่เกิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีระหว่างท่านทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่ากุฏินี้จะพังทลายสลายไปไม่สามารถใช้การใดๆไ ด, ไ ด, ได้กระแสบุญถึงจะขาดออกจากการสืบเนื่องทางจิตของดวงจิตเราที่ไปสู่สุขตินั้นและเมื่อได้เมื่อเราหมดบุญจากบนเทวโลกเราจะได้มาเกิด อ, อยู่บนโลกมนุษย์ในฐานะในที่ที่สูงส่งไม่ไม่เกิดในที่ตกต และเมื่ออยู่ในคันก็ไม่รู้สึกคับแคบไม่รู้สึกอึดอัดอยู่แบบโปร่งโล่งเบาสบายเนไม่รู้สึกอึดอัดคลอดก็คลอดออกมาง่ายไม่ทําให้ผู้เป็นมารดาได้รับความลำบากมากและเมื่อได้อาศัยอยู่ในที่ใดๆก็ตามที่ที่นั้นจะเป็นที่ที่สะอาดสะอ้านเป็นที่ที่อบอุ่นและจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะไม่ได้รับอันตรายและเพศภัยใดๆเลย ที่เกิดเป็นอุบัติเหตุจากการคุกคามจากสัตว์จากบุคคลจากจากอะไรก็ตามหรือแม้แต่ภัยทางธรรมชาติก็จะไม่ได้รับนี่คือคนที่ถวายวิหารทานมาก่อนจะได้ประโยชน์ัน้นและหากบุคคลผู้ถวายวิหารทานแม้ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรร ด, ดิราชในอนาคตในอนาค ต, ตาการท่านก็ได้ผู้เจ้าปรารถนาได้ปรารถนาเป็นสาวกภูมิของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ปรารถนาความเป็นอัคารสาวกก็ได้ปรารถนาความเป็น ภาษาบกที่เลิศในด้านไหนก็ได้ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและแม้แต่ปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธ ภ, ภูมิเนี่ยก็ได้ในภายภานหน้าก็ปราถนาได้นี่คืออนิสงค์ของการถวายวิหารทานและสิ่งสาคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าวิหารทานเหล่าใดอันที่เราได้ตั้งไว้แล้วในสงภิกษุสงเหล่าใดได้อาศัยวิหารนั้นคือกุฏินั้น พักพิงอาศัยอยู่ในการบําเพ็ญสมณธรรมหากภิกษุเหล่านั้นกระทําสมณธรรมนั้นให้ถึงที่สุดแล้วภิกษุนั้นจักบอกคุณธรรมอันยอดเยี่ยมอันที่ตนเองบรรลุถึงซึ่งคุณธรรมในศาสนานี้ก็จะมี 4, 4ีประการคุณธรรมคือความเป็นโสดาบันคุณธรรมคือความเป็นสากัหาคามีคุณธรรมในความเป็นอนาคามีคุณธรรมในความเป็นอรหรันคุณธรรมสีประการนี้ภิกษุเราใดที่ได้อาศัยวิหารทานอาศัยกุติของเราเนี่ย เป็นที่บําเพ็ญสมณธรรมภิกษุนั้นจะบอกคุณธรรมนั้นกับเราให้เราได้ทราบคุณธรรมเพื่อประพฤติตนไปสู่ความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์เหมือนกับภิกษุนั้นนี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับเนี่ยจะอาอะรอีกทีนี่อ น, นิสงส์ ปรารธนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ไหมการสร้างมีฐ า, านได้ปรารธนาความเป็นพระอารหันในพบนี้ได้ถามว่าปรารธนาแล้วมันจะได้ไหมละ่ะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความเพียรแต่ความปรารธนานั่นปรารธนาได้แต่จะบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลอยู่ที่ความเพียรในการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติธรรมของตนนั่นอีกส่วนหนึ่งบุญคือส่วนหนึ่งการฆ่าเพียรเพื่อความบรรลุผลอีกแบบหนึง่งแต่บุญที่เราทําจะคอยหนุนแล้วก็ผลักดันหมายถึงว่า เวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราใดก็ตามจะไม่มีอันตรายใดๆเข้ามาแทรกในขณะที่เราประพฤติจะไม่มีเรื่องใดก็ตามมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเพราะอ น, นิสงส์การสร้างกุตินั้นอ่ะมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องป้องกันภิกษุอยู่แล้วเราจะได้รับการป้องกันได้รับการอารักขาด้วยบุญตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนๆก็ตามตัวบุญจะคอยอารักขาเราติดตามเราคุ้มครองเราปัดเป่าหรือขจัดสิ่งที่เข้ามาลองควานเคราะห์ร้ายต่างๆออกไปจาก ชีวิตเราไม่ถูกทําร้ายด้วยสัตว์ร้ายไม่ได้รับภัยจากภัยพิบัติไม่ต้องกลัวแผ่นดินจะไหวปูเขาไฟระเบิดไม่ต้องกลัวถ้าใครสร้างมีหานรากฐานไม่เลวแม้เขาจะวันไว้แผ่นดินจะกระเทือนแค่ไหนก็ตามเชื่อมัน่นเลยเลยว่าเราจะปลอดภัยแม้ตึกมันจะพังพลายลงมาแค่ไหนก็ตามแล้วแตเราอยู่ในตึกนั้นเชื่อเถอะว่าเราจะปลอดภัยไม่ต้องห้อยพระหลวงปู่ไหนก็ปลอดภัย จริงๆนี่คือความจริงจบหมดไม่มีอะไรถามกันแล้วเหรอเอาคนอยู่ในนี้นีม่มีมีการถามเข้ามาไหมไม่มีถ้าไม่มียุติแค่นี้นะนะอ่ะงั้นก็พอใช้เวลาในการอธิบายทำเช้านี้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ญาติโยมที่นี่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญ